สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบา น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตเปเรซูตอนที่ห้าร้อยเจ็ดเรื่องพระเยซูในพระธรรมฮีบรูครั้งที่สิบสองพี่น้องครับโปรดจันทรของพระเจ้าในเช้าวันนี้ผมจะกลับมาอยู่ในพระธรรมฮีบรูบทที่ห้าข้อที่แปดข้อที่เก้าและข้อที่สิบนะครับสามข้อด้วยกันในเช้าวันนี้ฮีบรูบทที่ห้า ข้อที่8ถึงข้อที่สิโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าถึงแม้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรพระองค์ก็ทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมยอมเชื่อฟังโดยความทุกข์ยากลําบาก ท, ที่พระองค์ได้ส่งชนเมื่อพระเจ้าทรงทําให้พระเยซูเพียบพร้อมทุกประการแล้วพระเยซูก็เลยทรงเป็นแหล่งกําเนิดแห่งความชอบแห่งความรอดนิรันดร์สาหรับคนทั้งปวงที่ เป็นมหาปุโรหิตตามแบบอย่างของเมลคีเสดงเพรางันรับข้อที่แปดนั้นเริ่มต้นด้วยคําที่ผมได้ประทับใจมากก็คือว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าแม้พระองค์จะเป็นพระบุตรของพระเจ้าเองก็ตามแต่พระองค์ก็ต้องเรียนรู้ครับในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าในขณะเดียวกันพระองค์ก็เป็นมนุษย์ร้อยเปอร์เ็ต ทั้งสองแบบแบบมนุษย์ร0อยเปอร์เซนและแบบพระเจ้าร0อป์แต่พระองค์ก็ถ่อมพระองค์ลงและยอมที่จะเรียนรู้พระองค์เรียนรู้เรื่องอะไรครับพระองค์เรียนรู้ที่จะยอมเชื่อฟังพระเจ้าพี่น้องครับความถ่อมพระองค์ในฐานะพระเจ้าของพระองค์ลงมาเป็นมนุษย์พระองค์เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้ชีวิตของพวกเราก็เหมือนกันนะครับ เรื่องราวทางฝ่ายจิตวิญ ญ, ญาณนั้นเราก็ต้องเรียนรู้เหมือนกับเรื่องเรื่องราวทางฝ่ายโลกหรือวิชาความรู้วิชาการต่างๆต้องเรียนรู้เพราะเราเป็นมนุษย์เราจะต้องฝึกฝนจดจําเช่นเดียวกันฝ่ายวิญ ญ, ญาณเราก็ต้องเรียนรู้เหมือนอย่างที่พระเยซูทรงเรียนรู้พระเยซูต้องท่อ ง, อ ง, องจําธรรมบัญญัติต้องท่องจําข้อพระคัมภีร์ต้องผ่านแบบมนุษย์ทุกคนที่พวกเราผ่านกัน เพราะฉะนั้นการเรียนรู้นั้นจึงเป็นการเรียนรู้ชั่วชีวิตเป็นการเรียนรู้ของทุกเพศทุกวัยทุกภาษาทุกเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อพระเยซูทรงเป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้คําถามต่อไปก็คือว่าพระเยซูเรียนรู้เรื่องอะไรครับพระเยซูเรียนรู้เรื่องของการเชื่อฟังเชื่อฟังใครครับเชื่อฟังพระบิดาพี่น้องครับ การเรียนรู้อย่างนอบน้อมการเรียนรู้ที่จะนอบน้อมยอมเชื่อฟังถ้าเราเชื่อฟังแล้วได้สิ่งดีนะครับนั่นก็เป็นเรื่องธรรมดาปกติแต่ถ้าเราเชื่อฟังแล้วเราต้องทนทุกข์ยากลาบากนั่นคือต้องใช้ความเพียรอุตสาหะที่จะเรียนรู้ครับเรียนรู้ที่จะรับความทุกข์ยากลาบากหรือเรียนรู้ด้วยความยากลาบากนะครับซึ่งจะต้องใช้ความอดทน ที่ปียซูทรงเรียนรู้เติบโตอยู่ในครอบครัวของโยเซฟมารี30สปีก่อนที่จะออกประกาศทรงต้องเรียนรู้แบบพวกเราที่ต้องเรียนรู้ทรงต้องเรียนรู้เรื่องภาษาในการสุดพูดในการท่องจำข้อพัมพีในการทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งเป็นลูกช่างไม้ธรรมดาธรรมดาแต่พระเจ้านั้นได้มีดีเของพระองค์ ก็คือความเป็นพระเจ้าอยู่ในตัวของพระเยซูและในตัวของพระเยซูเองก็มีความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกันพี่น้องครับพระเยซูต้องเรียนรู้ที่ยอมเชื่อฟังเรียนรู้ที่จะอดทนเรียนรู้ที่จ ะ, ะเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากด้วยเหตุ น, นี้ในข้อที่เก้าผู้เขียนประทับฮีบรูนั้นกล่าวต่อไปว่า เพื่อพระเจ้าทรงทําให้พระเยซูเพียบพร้อมทุกประการแล้วพระเยซูก็เลยทรงเป็นแหล่งกําเนิดแห่งความรอดนิรันดร์สำหรับคนทั้งปวงที่เชื่อฝังตรงคุณลองครับในข้อนี้นั้นมีความหมายลึกซึ้งมากเพราะเหตุที่ว่าคําว่าทําให้ถูกเพียบพร้อมทุกประการนะครับมาจากภาษากรีกที่แปลว่าเทาเลียโอเทเลียโอแปลว่าถูกทําให้สมบูรณ์พระเยซูถูก พระบิดาเจ้าทำให้สมบูรณ์และแปลได้ว่าโตเป็นผู้ใหญ่นะครับคำคำนี้ยังสื่อได้อีกหลายประการครับก็คือการทนทุกข์แบบผู้ใหญ่ทนมีอีคิวแบบผู้ใหญ่ครับและการสู้ทนกับปัญหาต่างๆของชีวิตเป็นพัฒนาการสู่ความเป็นผู้ใหญ่ของพระเยซูพี่น้องครับชีวิตของเราจะต้องเรียนแบบพระเยซูในการ ให้มีแม t ชัวริตี้เพราะฉะนั้นการทนทุกปัญหาต่างๆพัฒนาความเป็นผู้ใหญ่ของเราครับการทนทุกปัญหาต่างๆทำให้เราเติบโตไปเป็นยานการทนทุกปัญหาต่างๆนำมาซึ่งการเรียนรู้และการเรียนรู้นี่เองนะครับทำให้เราเกิดความเชื่อฟังครับเชื่อฟังยอมฟังพระเจ้ายอมมอบยอมไว้วางใจมอบชีวิตถวายกับพระเจ้านี่คือการเรียนรู้ ความทุกข์ยากลําบากปัญหาต่างๆนั้นเมื่อเข้ามาในชีวิตของเราเป็นบทเรียนที่เราต้องฐานไปครับแน่นอนครับคนที่มาเชื่อพระเจ้าแล้วชีวิตของเขาเนี่ยดีมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถ้าว่าเราอยากจะเติบโตกับพระเจ้าเวลาที่เราเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆนั้นเราจะต้องไม่ยออ่อท้อเราจะต้องมีความเปลี่ยนภัยยะ ที่จะไว้วางใจพระเจ้าที่จะยกพระเจ้าเป็นใหญ่ที่จะให้พระเจ้าทรงนำชีวิตของเราต่อไปและเมื่อนั้นนะครับชีวิตของเราจะสมบูรณ์ขึ้ น, นเรื่อยๆโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้ น, นเรื่อยๆนะครับกลับมาดูองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูคิดของเราบ้างพร้องทรงทนความเจ็บปวดและมีความรู้สึกหวาดกลัวหวาดวันต่อความตายเหมือนกับที่พวกเราก็หวาดวันหวาดกลัวความตายเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้ โปร่งจึงสามารถเห็นอกเห็นใจและสงสารเรามี compassion นะครับมี sympathy เหมือนกับเหมือนกับพวกเราทั้งหลายทุกคนนะครับเมื่อเราต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากในชีวิตอย่าลืมว่าพระเยซูเข้าใจเราทุกอย่างและสิ่งจุดท้ายในวันนี้ก็คือพระเยซูนั้นถูกทำให้สมบูรณ์พร้อมทุกประการในความเป็นมนุษย์ของพระองค์ครับ ที่น้องอยากเข้าใจผิด น, นะครับว่าพระเยซูปเป็นซูเ ป, ปอร์แมนพระเยซูปเป็นพระเจ้าและเป็นมนุษย์ในความเป็นมนุษย์ของพระองค์ก็มีความเจ็บปวดได้บ่วยได้ในความเป็นมนุษย์ของพระองค์รงโกรธได้หิวไ ด, นวนน ด, ไ ด, ได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์เจ็บได้นะครับพระองค์ก็ต้องทนทุกข์ครับเราเห็นว่าการทนทุกข์ในสวนเกตส์มานีการทนทุกข์บนแมงเขนเนี่ยครับคือความเจ็บปวดร้าวของพระองค์ คือความเจ็บปวดวัตรร้าวความตายที่พระองค์ต้องมาเชิญด้วยเหตุ น, นี้เมื่อสำเร็จแล้วทุกอย่างนั้นพระองค์ก็เลยทรงถูกแต่งตั้งเป็นผู้จัดการความรอดของเราผู้ประทานความรอดนิรัน์ให้กับเราทั้งหลายทุกคนที่เชื่อฟังพระองค์พี่น้องครับคำว่าเชื่อฟังมีความหมายว่าตั้งใจฟังครับมีความหมายก็คือว่าความรอด ขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระเยซูคริสต์นั้นมีให้กับเราทั้งหลายทุกคนนะครับที่ตั้งใจฝังโปร่งก็คือเชื่อฝังโปรงและในข้อที่10นะครับก็สรุปประเด็นที่สำคัญที่เราจะพูดต่อไปในวันข้างหน้าก็คือว่าพระเจ้าได้ทรงตั้งโปรงให้เป็นมหาปุโรหิตตามแบบอย่างของเมลคีเเดิศนะครับเรื่องตำแหน่งปุโรหิตของพระเยซูถูกกล่าวซ้ำ ไปซ้ํามาหลายครั้งทีเดียวแสดงว่ามีในยะสําคัญครับมีความสําคัญพระเยซูคริสทรงได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าให้เป็นมหาปุริตตามแบบอย่างของเมลทีเสดครับตามแบบอย่างของเมลคีเสดไม่ใช่ตามอย่างของอารรนนะครับเพราะว่ามหาปุริตแบบเมลทีเสดคนะครับถ้าเราดูในฮีบรูบทที่เจ็ดข้อสามเราจะพบว่าทรงพระชนอยู่ต่อไปเป็นนิตครับ ปุโรหิตแบบพวกอารอนก็คือตายไป ห, หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความเหนือกว่าของพระเยซูที่มีต่อระบบปุโรหิตแบบเก่าในภาคัมภีร์เดิมตามธรรมบัญญัติของโมเสสและมีปุโรหิตชื่ออารอนพี่น้องครับบอกอยากจะบอกกับพี่น้องว่าในสองสามวันที่กำลังจะมาถึงนี้เราอาจจะได้มีโอกาส ที่จะเข้าถึงความหมายของเมลคีเสด็จและมหาภูติแบบเมลคีเสด็จก็ไปช่วยช่วยเรานะครับในการที่เราจะเรียนรู้บทเรียนในวันนี้ก็คือการเชื่อฟังต้องเกิดจากการเรียนรู้พี่น้องครับการเรียนรู้ที่แท้จริงมันเกิดได้ก็ต่อเมื่อเราจะมีความเชื่อและเชื่อฟังพระเยซูอาเมน